หมวดว่าด้วยพระเมตตยะเป็นต้นหนึ่งติสสะเมตตยะเถราประทานประวัติในดิจชาติของพระติสสะเมตตยะเถระพระติสสะเมตตยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นดาวบทชื่อโสพิตะบริโภคแต่ผลไม้ที่หล่นเองอาศัยยอดเงื้อมอยู่ในระหว่างภูเขาครั้งนั้น ข้าพเจ้าแสวงหาประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อเกิดในโรมโลกจึงนำฟืนสำหรับก่อไฟมาสมไฟให้ลูกโรงพระพุทธเจ้าประนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงเสด็จมาในสำนักของข้าพเจ้าตรัสถามว่าทำอะไรอยู่หรือท่านผู้มีบุญมาก ขอท่านจงให้ฟืนสำหรับก่อไฟแส่เราบ้างเราจะบำเรอไฟเพราะการบำเรอไฟนั้นความบริสุทธิ์จักมีแก่เราเาพเจ้าทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นมนุษย์ท่านเป็นผู้เจริญดีท่านเข้าใจเทวดาดีเชิญท่านบำเรอไฟเชิญท่านนำฟืนสำหรับเกิดไฟไปเถิดลำดับนั้นพระชินเจ้าทรงถือฟืนจากที่นั้นไปก่อไฟ แต่ไม่ทําฝืนให้ไหมในกองไฟนั้นเพราะพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงทําปฏิหารพระธีนเจ้าตรัสว่าไฟของท่านไม่ลุกโผงเครื่องบูชาของท่านไม่มีการบำเรอไฟของท่านไร้ประโยชน์เชิญท่านบำเรอไฟของเราบ้างสิเขาพระเจ้าทูลถามว่าข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากไฟของท่านเป็นเช่นไรขอจงบอกไฟของท่าน เมื่อบอกแก่ข้าพเจ้าแล้วเราทั้งสองจะบูชาร่วมกันพระชินเจ้าตรัสว่าการบูชาของเรามีไว้เพื่อประโยชน์สาประการนี้เพือเพื่อจับรรมที่เป็นเหตุหนึ่งเพื่อเผากิเลสหนึ่งเพื่อละความริษยาและความตรนีหนึ่งข้าพเจ้าทูลถามว่าข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากผู้นิรทุกข์พระองค์เป็นคนเช่นไรมีตระกูลอย่างไร ข้าพเจ้าชอบใจอาจาระและข้อปฏิบัติของพระองค์นะพระชินเจ้าตรัสตอบว่าเราเกิดในตระกูลกษัตริย์ถึงความสำเร็จแห่งอภิญญาสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ส่องแสงสว่างทรงบรรเทาความมืดถ้าพระองค์เป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าข้าพระองค์จะขอนอบน้อมพระองค์ พระองค์เป็นผู้ทำที่สุดทุกข์เขาพระเจ้าจึงปูหนังสัตว์ถวายให้เป็นที่ประทับนั่งพระสัพพันยู่ประทับนั่งบนหนังสัตว์นั้นเขาพระเจ้าอุปถากพระองค์พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนหนังสัตว์ที่เขาพระเจ้าปูถวายนั้นเขาพระเจ้านิมนต์นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ไปยังภูเขาเก็บผลมะพร้าวใส่หาบจนเต็มนำผลมาคลุกเคล้าด้วยน้ำผึ้งแล้วได้ถวายแด่พระพุทธเจ้า เมื่อข้าพเจ้ามองดูอยู่พระชินเจ้าทรงสวยในขณะนั้นข้าพเจ้ามองดูพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทําจิตให้เลื่อมใสในพระองค์พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งอยู่ในอาสมของข้าพเจ้าได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเรากจากพยากรผู้ที่เลื่อมใสได้ถวายผลไม้ ให้เราฉันจนอิ่มน้ำด้วยมือของตนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นั้นจะครองเทวสมบัติยีหชาติและจะเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพันชาติข้าวน้ำผ้าและที่นอนซึ่งสมควรแต่ค่ามากดังจะรู้ความดำริของเขาผู้ประกอบด้วยบุญกรรมปัจจัยทั้งหลายประกอบด้วยบุญกรรมจกบังเกิดขึ้นทันที ผู้นี้จากบันเทิงและไม่มีโรคตลอดเวลาเขาเกิดในกำเนิดใดเพอจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามในกำเนิดนั้นเขาจะได้เป็นมนุษย์มีสุขในที่ทุกแห่งเขาเป็นผู้คงแ่เรียนทรงมนจบไตรเพศเข้าฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจกเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ข้าพระเจ้าจำความได้รู้เดียงสาความพร่องในโภคสมบัติไม่มีแก่ข้าพระเจ้าเลย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 ท่านพระติสสะเมตยะเทระได้พาเศถารเหล่านี้ด้วยประกาศนิติสสะเมตยะเทราประทานที่หนึ่งจบสองปุณกกะเทราประทานประวัติในดิจฉาของพระปุณกกะเทระพระปุณกกะเทระเมื่อจะประกาประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าพระสยามภูพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ทรงพระประชวร ทงอาศัยยอดเงื้อประทับอยู่ระหว่างภูเขาขณะนั้นได้มีเสียงบรรเลือลั่นรอบๆ อ, อาสมของข้าพเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จแบบขันทบปรินิพานได้มีแสงสว่างในขณะนั้นมีหมาไนเสือดาวเนื้อร้ายและพญาราชสีเท่าที่มีอยู่ในไพรสนทั้งหมดได้พากันส่งเสียงร้องขึ้นในขณะนั้นข้าพเจ้าเห็นความอัศจรรย์นั้นแล้ว ได้ไปยังเนื้อณที่นั้นเ้าไปเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเหมือนต้นพยาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งเหมือนดวงอาทิตย์อุทยัยเหมือนฐานเพลิงปราศ จ, จากเปลวไฟพระองค์ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเขาไปเจ้านำหญ้าและไม้มารวมกันแล้วก่อเป็นเชิงตะกรขึ้นในที่นั้น ครั้นทําเชิงตะกรดได้แล้วได้ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระครั้นถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วได้ใช้น้ําหอมประพรมในขณะนั้นเทวดายืนอยู่ในอากาศได้ระบุชื่อว่าดูกระท่านผู้เป็นมุนีในครั้งที่ท่านมีนามว่าปุณกกะท่านก็ได้บําเพ็ญกิจนั้นแก่พระเสียมภูพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้ว ข้าพเจ้าเคลื่อนจากกายนั้นแล้วได้ไปเกิดยังเทวโลกในเทวโลกนั้นกลิ่นทิพย่อมตกลงจากอากาศแม้ในภพไหนไหๆข้าพเจ้าก็มีชื่อว่าปุณณะในครั้งนั้นข้าพเจ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามก็ให้ความดำริบริบูรณ์ได้นี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าภพสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่แม้ในภพนี้ ชื่อของข้าพเจ้าก็ยังปรากฏว่าปุณญกะเหมือนกันข้าพเจ้าให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมสักยะผู้ประเรสริฐทรงพอพระทัยแล้วกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วจึงอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะในกลับที่9กสอดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ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 ปุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกเขาพาขาเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปุณกะเถระได้พาสุภถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปุณกะเถราประทานที่สองจบสเมตคูเถราประทาน ประวัติในดิจฉาของพระเมตคูเทระพระเมตคูเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าในที่เนืไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออโศกวิสุกรรมเทพบุะบุเนรมิตรอาโศมให้แก่ข้าพเจ้าที่ภูเขาอโศกนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้เลิศทรงประกอบด้วยพระกรุณาเป็นพระมุนี เวลาเช้าทรงครองผ้าแล้วเสด็จเข้ามาบินตาบาทในสำนักข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นพระมหาวีระเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จเข้ามาจึงรับบากของพระสุคตแล้วบรรจุในใสและน้ำมันจนเต็มถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าสุเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกประคองอัญเชลีเกิดความร่าเริงอย่างยิ่ง ด้วยผลแห่งการถวายเนยใสและน้ำมันนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นข้าพเจ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมได้สุขอย่างเหลือล้นข้าพเจ้าเวียน่หวตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เว้นวินิบาตนรกตั้งจิตไว้มั่นในพระพุทธเจ้านั้นย่อมได้บทที่ไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสว่าพรามการที่ท่านได้เห็นเรานั้นเป็นลาภที่ท่านได้ดีแล้ว ด้วยว่าบุคคลอาศัยการเห็นเราแล้วจกได้บรรลุอรหัตท่านบรรลุยศใหญ่แล้วเป็นผู้เบาใจไม่ต้องกลัวถวายเนยสายแกรเราแล้วจะพ้นจากชาติทุกข์ได้เลือกการถวายเนยสายนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นข้าพเจ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมได้สุขอย่างเหลือล้นด้วยอธิการนี้และด้วยความเป็นผู้มีจิตเมตตา ผู้นั้นจะเรลื่อนรมอยู่ในเทวโลกตลอดหนึ่งร้กับจากได้เป็นท้าวเทวราชสามชาติตลอด18บแปดกับจะเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูร์นับชาติไม่ท่วนจะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้อ็ชาติทรงเป็นใหญ่มีชัยชนะมีสมุดทั้งสี่เป็นขอบเขตเป็นใหญ่ในชมพูทวีปมหาสมุดใครใครให้กระเพื่อไม่ได้และแผ่นดินใครใคยกขึ้นได้ยากฉันใด พโขคสมบัติของข้าพเจ้าก็นับประมาณมิได้ฉันนั้นข้าพเจ้าบริจาคเงินหกสิบโกรแล้วออกโบสถแสวงหากุศลบางอย่างอยู่จึงเข้าไปหาพราหมณ์พาวรีข้าพเจ้าเล่าเรียนลักษณะมีองค์หกในมนนั้นอยู่ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นกำจัดความมืดนั้นแล้วข้าแต่พระมหามุนีข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระองค์จึงมา ได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวเนี้กลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเนยใสยแ ด, ด่พระพุทธเจ้าในระหว่างนี้จึงไม่รู้จักว่าข้าพเจ้าจะต้องขอเนอยใสยเลยเนยใสยดังจะรู้ความดำริของข้าพเจ้าจึงเกิดขึ้นตามความปรารถนารู้ความดำริแล้วจึงบังเกิดข้าพเจ้าเลี้ยงดูภิกษุทั้งปงให้อิ่มน้ำ ช่างน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าช่างน่าอัศจรรย์พระธรรมช่างน่าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าได้มาประจวบกับพระาศาสดาข้าพเจ้าถวายเนยใสหน่อยเดียวแต่ได้เนยใสประมาณนี้ได้น้ำในมหาสมุทรมีประมาณตั้งแต่เชิงเขาสินเนรุเมื่อเทียบ ก, กับเนยใสของข้าพเจ้าจากไม่เท่าส่วนเสี้ยวเลยโอกาสแห่งจั ก, กรวาลที่เขาทําให้เป็นกองประมาณเท่าใดโอกาสประมาณนั้น ไม่สมกับกองผ้าที่บังเกิดแก่ข้าพเจ้าผู้เขาหิมะานมีหินล้วนแม้จะสูงสุดก็ยังไม่เท่าของหอมที่ข้าพเจ้าลูปไล้ผ้าของหอมเนยใสและสิ่งอื่นที่เกิดในปัจจุบันและนิพพานที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใสข้าพเจ้ามีสติปัฐานเป็นที่นอนมีสมาธิและฌานเป็นอารมณ์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 เมตโคเทราประธานที่สามจบ